กลับนมักาการครับพระอาจารย์ครับจเลร์นอพรอาจารย์ใช้ง่ายไหมครับผมไม่มีอะไรเพียงแต่ใส่ชื่อไปแค่ใส่ชื้อเข้าไปเท่านั้นครับอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับกลับนมักษการนะครับแล้วก็ขอขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เมตตานะครับก็เป็นช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดนะครับพระอาจารย์ครับผมก็ดูว่าคนเนี่ยมีความทุกข์ท้งกายทั้งใจเยอะเหลือเกิน ผมก็พยายามจะช่วยให้ข้อมูลทางการแพทย์ทุกอย่างที่จะท้ายได้ครับอาจารย์แล้วก็พอจะให้คนที่รู้ข้อมูลความจริงได้เบาใจบ้างทีนี้มันมีอีกแง่หนึ่งก็คือในแง่ของธรรมะเนี่ยครับอาจารย์ครับก็เลยผมต้องพึ่งพาพระอาจารย์ครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนำพระอาจารย์ก่อนนิดนึงได้ไหมครับผมเชิญครับครับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วนะครับผมฝากแชร์นะครับฝากแชร์ให้ด้วยนะอ่าแล้วก็แชร์ทุกแพลตฟอร์มนะครับ Facebook YouTube นะครับ แล้วก็ตอนนี้มีคนชมในย t u b e อยู่หนึ่งร้อยสิบสองคนนะครับพระอาจารย์ครับเพราเสียงกล้องครับตอนนี้ก็ขอบอกด้วยว่าทางทีมงานเราก็จะแชร์ไปที่ YouTube เพจของเราเวยนะพระสุชาติไลฟ์ครับผมครับพระอาจารย์มีเพจเป็น u t u b e ชื่อพระสุชาติไลฟ์นะครับก็ฝากเอามายูเาใช้ o b s เขาใช้ o b s ถ่ายทอดสดเลย ผมหัก OBS อยู่ตั้งนานทำไม่ได้ก็ไม่เป็นจนมาได้เป็นใหญ่าอาจารย์แนะนำให้อาจารย์แนะนำให้ก็ได้ครับอาจารย์ครับพระอาจารย์เดี๋ยวผมขออนุญาตแนะนำพระอาจารย์นิดนึ่งทุกบางคนจะไม่รู้จักพระอาจารย์พระอาจารย์เป็นลูกศิษย์ขององค์หลวมามหาบัวนะครับตอนนี้ท่านอยู่ที่วัดยานสังวรารามที่อำเภอสัตหิย์นะครับจังหวัดชนบุรีนะครับขอเสียงสะท้อนนะครับเดี๋ยวผมอาจารย์แล้วผมขออนุญาตทุกทึานนะครับ สวัสดีครับได้เสียงไหมครับได้ยินอ๋อพระอาจารย์ได้ยินนะครับพระอาจารย์ครับพอดีเดี๋ยวลองใช้ของใหม่ก็พอของของอคอมพิวเตอร์ก็พอพระอาจารย์ตอนนี้ท่านบินระบาดได้อยู่ไหมครับผมได้ยังบินรบาอยู่ทุกวันบินบ่อยอยู่ทุกวันเล<า>ย<า>ครับใส่ใส่หน้ากากอ๋อ่งนนเ้ก็ทำใจมันจะเป็นเป็นะเป็นวิธีที่จะไม่เพียกันไหมก็คือทาใจ อาจารย์ครับผมสอบถามพระอาจารย์นะครับกับเรียนถามนะครับตอนที่ที่แบบโรคมันระบาดไปทั่วโลกอย่างเงี้ยครับมันเป็นเพราะว่า ก, ก ร, รรมพวกเราทําด้วยกันหรือเปล่าครับอาจารย์หรือว่าคือกรรมของพวกเราอยู่ที่าการมาเกิดเนี่ยไหมอ๋อครับถ้าเราไม่ ม, มาเกิดเราก็ไม่ต้องมาเจอเหตุการณ์เหล่านี้แต่เมื่อเรามีความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือเราก็เลย ต้องมาเกิดเนี่ยมันมีร่างกายพอ ม, มีร่างกายเราก็อยู่ในโลกที่มันแปรปรวนไปด้วยเหตุการณ์ต่างๆทั้งทั้งดินฟ้าอากาศทั้งเชื้อโรคหรืออะไรต่างๆเหล่านี้มันก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้เราทุกข์ให้เราวุ่นวายใจกันพระพุทธเจ้าเห็นว่าการเกิดนี่เป็นทุกข์นะครับมวิธีที่จะพ้นทุกข์ก็ต้องไม่เกิด อันนี้นนและการไม่เกิดก็ต้องหยุดความอยากอยากหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกนิ้นกายถ้าเรายังหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกนิ้วกายเราก็ต้องมีร่างกายร่างกายนี้ตายไปแล้วก็จะกลับมาหาร่างกายหน่อยมาเกิดใหม่ล้วก็ต้องมาเจอเหตุการณ์แปรปรวนของโลกทุกโลกทุกยุคทุกสมัยมี มีการแปดตัวมีโรคภัยไข้เจ็บอะไของมันเป็นธรรมชาติของโรกนี้ครับแล้วเราจะวางใจยังไงครับอาจารย์ครับคืออย่างคนปุถุชนทั่วไปที่เขาทำมาหากินก็ทำไม่ได้กลัวก็กลัวป่วยเราจะปฏิบัติตัวยังไงเป็นเบื้องต้นได้ไหครับอาจารย์ครับก็มองว่า มองปัจจุบันเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ที่เลยกว่านี้สิแล้วก็อาจจะทำให้เราสบายใจขึ้นมาตอนนี้เรายังไม่ติดตอนนี้เรายังไม่เป็นตอนนี้เรายังมีลมหายใจตอนนี้เรายังทำอะไรต่างๆได้อยู่แต่ว่าเราอยากไปประมาทพยายามทำตามสิ่งที่อยู่ในวิสัยของเราที่เราจะทำได้การป้องกันตัวเราตามที่หมอแนะนำ หมาบอกว่าให้ใส่สวมหน้ากากอย่าออกนอกบ้านไปในสถานที่แออุกจอนทั้งหลายแล้วก็เนี่ยทําการที่หมอสัง่งยีงยยังไม่ทำอาหารกินได้ที่ทํางานก็สวนหน้ากากเลยก็ทำไปของเราไปถ้ามันจะต้องเป็นก็ยอมรับว่ามันเป็นสัจธรรมของชีวิตทุกคนเกิดมาไม่อช้าก็เล็วก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วย เจ็บมากเจ็บน้อยทางศาสนานี้ท่านสอนว่าผู้คนจะต้องเจอโรคสามชนิดด้วยกันโร<อ>คชนิดแรกก็คือเป็นเล้วหายเองเช่นเป็นหวัดนี่บางทีก็ไม่ต้องกินโยอกินยาผ้าคอหลับนอนให้คอเดี๋ยวสักสี่ห้าวันมันก็หายเองีโรคชนิดแรกชนิดที่สองก็คือโรคเมื่อเป็นแล้วต้องรักษาถึงจะหายถ้าไม่รักษาก็จะไม่หาย อันนี้ก็ต้องไปหาหมอให้หมอช่วยรักษาให้ถ้ารักษาถูกวิธีก็หายได้แล้วก็โรคชนิดที่สามก็คือเมื่อเป็นแล้วรักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายมีแต่จะรอความตายเป็นอย่างเดียวมั่นคือโรคที่มีอยู่ในโลกนี้กับทุกคนที่มาเกิดไม่ ว, ว่าจะเป็นหมอหรือเป็นคนไข้ต้องเจอโรคทั้งสามโรคนี้เหมือนกัน มอเก็ต้องเป็นทั้งวันขอบพระอาจารย์ครับทีนี้เรามีวิธีที่จะทำให้ใจเราไม่ทุกข์ไม่เครียดก็คือการทำใจให้สงบในการฝึกสมาธิถ้าเราทำใจให้เน่งให้สงบใจเราจะเย็นใจเราจะเฉยแล้วเวลาเราเจอกับเหตุการณ์ที่ไม่พึนปรารถนาใจเราจะไม่เดือดร้อน ให้เราจะเฉยได้อันนี้ก็เป็นวิธีที่เราจะใช้ต่อสู้กับอโครคภัยไข้เจ็บต่างๆทางศาสนาเรียกว่าธรรมโอสรสยาธรรมะยาธรรมะนี่มีไว้รักษาใจส่วนยาทางนั่งกายก็ต้องมาใช้ทางโรงพยาบาลทางทาแพทย์ช่วยให้แต่ทางใจนี้เราต้องใช้ธรรมะคพีอย่างเดียว คือทําใจให้สงบด้วยสติธรรมด้วยปัญญาธรรมเมื่ามีสติมีปัญญาใจเราจะไม่เดือดร้อนไม่เครียดไม่ทุกข์กับความเป็นไปของร่างกายอยู่เหนือความทุกข์ของร่างกายได้เนี่ยเป็นเหตุที่ทํำไมคนเราถึงต้องไปปฏิบัติธรรมเนเพราะว่าเราไม่มีธรรมเหล่านี้อยู่ในใจของพวกเราเราไม่มีสติธรรมไม่มีปัญญาธรรม เราเลยไม่สามารถควบคุมใจให้อยู่ในความสงบได้พอมีเหตุการณ์อะไรมากระทบใจเราก็เกิดความปั่นป่วนเกิดความวุ่นวายเกิดความทุกข์เกิดความเครียดต่างๆขึ้นมาแต่ถ้าเราไปฝึกขัดปฏิบัติธรรมฝึกเจริญสตินั่งสมาธิทาใจให้สงบแล้วก็สอนใจให้เกิดปัญญาให้เห็นสภาวะความเป็นจริงของโลก ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวเป็นอนิตาไม่มีอะไรเป็นของเราทุกสวันหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้มามีมาเราก็จะต้องจ่ายมันไปหมดมาตัวเปล่าเปล่ า, ลาแล้วเราก็ไปตัวเปล่าเปล่าตัวที่มาก็คือจิตใจตัวที่ไปก็คือจิตใจจิตใจมา มาร่วมทีมกับร่างกายมาปฏิสนธิเวลาที่พ่อแม่ผสมพันธุ์จิตใจก็มาร่วมจึงทำให้เกิดมีมีร่างกายมีธารุแล้วก็คลอดออกมาจิตใจกับร่างกายก็ทำงานร่วมกันจิตใจเป็นผู้สัง่งร่างกายเป็นผู้รับคำสัง่งจิตใจก็ใช้ร่างกายสวยงางงความสุขต่างๆไปตามความต้องการ แต่ร่างกายมันก็อยู่ในกรอบของความไม่เที่ยมมันจเจริญเติบโตแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายไปในที่สุดไม่เว้นใครทั้งนั้นอันนี้ถ้าเราศึกษาไม่ทำเข้าใจความเป็นจริงอันนี้เราก็จะไม่เครียดได้เพราะเราจะรู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นจิตใจเ ป, เป็นผู้รู้ผู้คิดที่มาสายร่างกายเป็นเครื่องมือ พาเราไปหาความสุขต่างๆในโลกนี้แะมันเป็นการหาความสุขแบบชั่วคราวไม่ถาวรเพราะร่างกายนี้มันก็จะต้องเก่าต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายไปในที่สุดนี่คือปัญญาทางพระพุทธศาสนาถ้าเราเห็นด้วยปัญญาถ้าเรามันวิเคราะห์พิจารณาดูความเป็นจริงน่ า, ามาสอนใจเรื่อยๆ ใจเราก็จะคล้อยตามความเป็นจริงยอมรับความเป็นจริงไม่ผืนไม่มีความอยากที่จะให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอไม่มีความอยากความทุกข์ใจความเครียด อ, อะไรต่างๆที่มีอยู่ในใจก็จะหายไปหมดใจก็จะอยู่กับร่างกายไปจนกว่าร่างกายมันจะหมดสภาพไป นี่คือปัญญาแต่ก่อนที่จะคิดในแบบนี้ได้ใจต้องมีความสงบต้องเคลียร์เรื่องราวต่างๆออกไปจากใจให้หมดใจเรามีเรื่องวุ่นวายมีความเรื่องของความหลงเยอะหลงว่าร่างกายเป็นเราหลงว่าทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเป็นเราหลงว่าเราจะอยู่กันไปแบบไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราทำสมาธิเราก็จะสามารถลบเคลียร์ความคิดเหล่านี้ออกไปได้ชั่วคราว แล้วเราก็จะได้เอาความคิดที่ถูกต้องเข้ามาสอนใจใหมายว่าเราอยู่ในโลกของความไม่แน่นอนอยู่โลกของความชั่วคราวทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่รวมมาถึงร่างกายอันนี้ก็เป็นของชั่วคราวในที่สุดเราก็จะต้องทิ้งไปหมดเรามาตัวเ ป, ปล่าๆ้วเดี๋ยวเราก็จะไปตัวเปล่ากินอย่างนี้แล้วเราก็จะได้ ใจก็จะเตรียมพร้อมที่จะรับความเป็นจริงพอถึงเวลาที่จะต้องจากร่างกายไปถึงเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยใจก็จะสงบใจก็จะไม่วุว่นวายนี่คือเอาย่อๆก่อนเอผื่อคุณห้ออยากจะถามอะไรอย่างเงี้ยนี่อาจารย์ครับก็คือโดยสรุปก็คือที่ผมเข้าใจคือว่าสุดท้ายแเราต้องเป็นที่ปัญญาใช่ไหมครับ ทีนี้ก่อนที่จะเป็นปัญญาก็ต้องมีสมาธิก่อนที่จะมาสมาธิก็ต้องมีสติก่อนทีนี้จะทํำยังไงให้เรามีสติได้ล่ะครับอาจารย์ครับ <S <S <S ก็การทำบริกรรมคำว่าพุโทโธพุทโธนี่ก็เป็นการสร้างสติขึ้นมาได้คือถ้าเราสามารถทัง้งพุทโธพุทโธได้เราก็จะสามารถหยุดความคิดต่างๆได้ทําให้ใจว่างใจเย็นใจสงบได้พุทโธนี่เป็นเหมือนยางลบเนี่ย เวลาเราเขียนมนังสือด้วยดินสอเนี่ยถ้าเราเขียนผิดแล้วก็มียางลบแล้วก็ลบมันได้ใจเรานี่มันคิดอยู่ตลอดเวลาเหมือนเขียนหนังสือบนกระดาษมีตลอดเวลาเขียนแล้มันก็เขียนในเรื่องวุ่นวายใจเพราะมันไปนเขียนเรื่องที่มันขัดกับหลักความเป็นจริงพอมันอะไรที่ขัดกับหลักความเป็นจริงมันก็ทําให้เครียดทําให้ทุกข์ขึ้นมา เราก็ต้องลบความคิดเหล่านี้ออกไปจากใจนํามาสานให้ใจคิดไปตามความหลักความเป็นจริงหลักความเป็นจริงของโลกนี้ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงอนิจจานัตตาไม่ใช่ของเราเป็นธรรมชาติไม่มีตัวตนทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นการทํางานของธาตุทั้งสี่คือดินน้ําลมไฟสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เกิดขึ้นมาจากการรวมตัว ขึ้นของดินน้ําลมไฟธาตุสี่หรือบางทีก็เป็นธาตุเดี่ยวล้วนๆเช่นน้าก็เป็นธาตุน้ํำล้วนๆลมก็เป็นธาตุลมล้วนๆไฟก็เป็นธาตุไฟล้วนๆดินที่เราเหยียบย่ำนี่ก็เป็นดินล้วนๆแต่บางทีธาตุทั้ ง, งสี่มารวมกันมันก็ทําให้เกิดต้นไม้ใบหญ้ากิ ด, ดสัตว์เกิดบุคคลอะไรต่างๆขึ้นมา นลกนี้คืเป็นโอกของดินน้ำลมไปไม่มีตัวไม่ได้มีตัวไม่มีตนร่างกายของเราสักวันหนึ่งก็จะต้องย่อยสลายธาตุทั้งสี่ที่มารวมตัวกันก็นจะแยกออกจากออากันไปดังนั้นเราต้องลบด้วยสติพุโทโธพุโทโธอยู่เรื่อยๆทีนี้การการจะลบความคิดต่างๆเหล่านี้ได้มันต้องอาศัยการที่เรามีเวลาว่างอากภาระเก็บอยู่เล เพราะถ้าเรายัางมีภารกิจมีการมีงานอยู่เราต้องใช้ความคิดเราก็จะคิดเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องการทําอะไรต่างๆของเราเราก็จะไม่สามารถที่จะมาลบความคิดได้เราไม่สามารถใช้ทุบถูได้ดังนั้นการจะฝึกสติด้านนี้เราต้องมีเวลาว่างเช่นวันหยุดวันหยุดทํางานไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับงานไม่ต้องเกี่ยวข้องกับใครเราก็ลองไปปลีดวิเวกดู ไปหาที่ไหนที่มันว่างอยู่คนเดียวแล้วก็พยายามสอนใจให้ลบความคิดต่างๆไปให้หมดด้วยการบริการพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปพอมันจะคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็พุโทโธพุโทโธไปมันจะคิดเรื่องนั้นเ่ น, น, นี้ก็พุโทโธไปอันนี้เป็นการเจริญสติคือการยับยั้งความคิดต่างๆพอเรามีสติมีกำลังมากพอเราก็นั่งสมาธิได้ ยังไม่รู้สึกเป็นอนนั่งแล้วจิตก็จะว่างจะเียนจะสบายแล้วก็จะนิ่งด้ที่สุดเวลาจิตนิ่งเราก็เรียกว่าเป็นสมาธิจิตก็จะไม่มีอารมณ์โลภโกรนหลงรักชังกลัวหลงจิตจะมีแต่ความอิ่มใจความสุขใจจะรู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ความสงบของใจนี้เองเมื่อเราได้พบความสุขแบบนี้แล้วเราก็สามารถที่จะทิ้งความสุขต่าง ที่เราอาศัยที่เราเคยมีได้เอาความสุขต่างๆที่เรามีกันนี้มันต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือซึ่งเรารู้ว่าสักวันหนึ่งร่างกายของเรานี่มันก็จะต้องสิ้นสุดลงหรือเจ็บไข้ได้ป่วยหรือแก่เราก็จะไม่สามารถใช้มันเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราได้แต่ถ้าเราสามารถหาความสุขจากการทําใจให้สงบได้ เราก็จะไม่ต้องพึ่งร่างกายเรามีความสุขได้ร่างกายแก่เราก็มีความสุขจาความสงบนั่งสมาธิได้เจ็บคไายได้ป่วยก็นอนสมาธิได้พ็นั่ไม่ได้ก็นอนได้ใกล้จะตายก็สามารถทําใจให้สงบไม่เถึงร่างกับความตายของร่างกายนะมีความสุขตลอดเวลาอันนี้แหละคือความสุขที่แท้จริง ความสุขที่เหนือกับความสุขทัางปวงนัตติสันติปรมสุขขัมเกิดจากการเจริญสติทาใจให้ว่างจากความคิดต่างๆแล้วใจจะเย็นใจจะมีความสุขไม่ต้องไปวิ่งหาอะไรมาให้ความสุขกับใจต้องมีเวลาต้องไปเปรียบวิเวกดังนั้นถ้าอยากจะลองปฏิบัติวันหยุดทางานเวลาว่างแทนที่จะไปเที่ยวกัน ลองเป็นวิธีหาความสุขแบบใหม่เดวูหาหาความสุขที่พระเจ้าสอนใว้หาคือหาความสุขที่เกิดจากความสงบองใจอาจารย์ไม่หมอครับผมครับอาจารย์ครับแต่ว่าตัวโดยตัวผมเองครับอาจารย์เวลาปฏิบัติพุโทโธพุโทโธไปจริงๆไม่กี่คำมันก็หลุดแปครับอาจารย์ครับเพ ร, ะพเราะ เ, เ, เราไม่เคยทําเราไม่เคยทํำ เหมือนไหว้นะ้ำเนี่ยถ้าเราไม่เคยไหว้นะ้ําเราก็ยังไหว้ไม่ได้เราก็ต้องคอยหักลงน้ําแล้วเราก็ต้องค่อยพอยุงร่างกายเราลอยอยู่ในน้าไม่ได้ครับแล้วอย่างไรกรณีของอาจารย์ครับไม่เป็นไรติดต่อได้แล้วอย่างในกรณีคนที่เขาเจ็บป่วยอย่างเงี้ยครับอาจารย์ครับอย่างเขานอนเจ็บทรมานอยู่อย่างเงี้ยครับก็พูดโชวได้พูดโชวได้มันไม่ต้องใช้ร่างกาย พุโทโธนี่ไม่ต้องใช้ไม่ต้องออกเสียงนึกในใจพุโทโธพุโทโธไปให้ลืมเรื่องมันก็ถ้าเราอยู่กับพุโทโธเราจะลืมเรื่องความเจ็บของร่างกายไปเลยใจเราก็จะเข้าสมาธิตั้งทีร่างกายเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็จะไม่เข้ามากระทบประเทือนใจเราเลยหรืถ้ามันเข้ามาใจก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่วุ่นวายไปกับมันใจไปดูเบรคขาใจสักแต่ว่ารู้ อยู่กับความเจ็บปวดของร่างกายได้งั้นถ้าเรารู้จักวิธีปฏิบัติสมาธิแล้วเราไม่ต้องใช้ร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายนี่ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าเราการเจริญสติการนั่งการหาความสบอบนี้มันไม่ต้องใช้ร่างกายเข้าใจไหครับผมเข้าใจครับอาจารย์ครับจ ร, จริงใจผมอยาก ที่บนพระอาจารย์เมตตาให้ธรรมะเลยก็ได้นะครับยาวๆคือผมไปฟังพระอาจารย์ที่เทศบนภูเขาอะครับแล้วพระอาจารย์จะได้เทศเนี่ยผมเอาบรรยากาศเทศบนเขาให้ทุกท่านได้ดูเนี่ยครับที่บนเขาพระอาจารย์ไม่ได้เทศเป็นปีเป็นปีแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ครับตั้งแต่ยี่สิบสองมีนาปีที่แล้วตั้งแต่ปิดปิดบนเขาขึ้นไปไม่ได้ก็เลยย้ายลงมาพักอยู่ที่ มาแสดงธรรที่น่าปกติข่างล่า<ผ>มแต่<ผ> ม, มันก็ดีอ <ผม S 1> ย่งางวนเขามันไม่มีไฟฟ้าจะมาทําแบบนี้ตอนนี้ก็ไม่ได้ก็อยู่บนเขาเพราะอะไรมีไฟฟ้าก็เลยอาศัยการแสดงธรรมแบบออนไลน์ตอนนี้ตอนคืนเมื่อคืนนี้ก็มีการแสดงออกทางสุนทางสุน <ผม S 2> ทรางสุนนี้ก็มีสองคืนคืนวันพุธเป็นภาษาไทยคืนวันอังคารก็เป็นภาษาอังกฤษ มีชาวต่างชาติก็มาหลายสิบประเทศด้วยกันมาสนทนามาเนี่ยมาคุยกันอย่างเนี้ยใครปฏิบัติไม่เข้าใจตรงไหนก็ถามได้อย่างคุณห่อมีใครอยากจะถามมีใครส่งคำถามเข้ามาได้หรือเปล่าอ๋อได้ครับอาจารย์ครับเดี๋ยวใครใครฟังแล้วอยากจะถามคําถามก็ถานจะือกข่าถามเลยครับผมมีใครอยากถามคําถามเรียนเชิญเลยนะครับ ว่าเราว่าเราก็ถนัดในการตอบคําถามเอาค่ะให้เราพูดธรรมะไปเรื่อยๆครับผมอาจารย์ครับแล้วอย่างทานกับศีลเนี่ยช่วยไหมครับผมอย่างเช่นคนแบบก็ใจดีแบบใส่บาตรทุกวันอย่างเงี้ยครับแต่ไม่ได้นั่งสมาธิเลยเงี้ยครับพาจะช่วยให้ทาใจสบายขึ้นได้ไหมครับผมก็ได้เลยระดับหนึ่งเวลาทําบุญทําทานนี่ใจเราจะมีความสุขจากการเสียสละแบ่งปัน พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าอยากจะหาความสุขด้วยการใช้เงินก็เอาไปทำบุญทําทานดีกว่าไปเที่ยวเพะการไปเที่ยวเป็นความสุขแบบร้อนเป็นความสุขแบบไม่อิ่มไม่พอเที่ยวแล้วก็อยากจะเที่ยวอีกใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้าทำบุญทําทานนะ้วมันมันเย็นมันอิ่มมันสบายมันก็กลับไปบ้านอยู่บ้านเฉยๆได้แต่ถ้าไปเที่ยวกลับมาบ้านอยู่ได้ไม่กี่วันก็อยากจะไปเที่ยวอีก ถ้าอยากจะหาความสุขจากการใช้เงินก็ให้ใช้เงินไปในการทําบุญทําทานการทําบุญทำทานนี่ก็ไม่จําเป็นจะต้องทํากับพระเพียงอย่างเดียวสามารถทํากับบุคคลและสัตว์ในี้ยงาฉานก็ได้เวลาเราได้ช่วยเหลือเขาช่วยให้เขามีความสุขเราก็จะเกิดความอิ่มใจสุขใจขึ้นมาอันนี้หลเป็นวิธีหาความสุขในระดับเบื้องต้นระดับ ง, ง่ายที่สุดน ถ้าเรามีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เร แ, แทนที่จะเอาไปเที่ยวกันหรือทำอะไรกันนั้นเราก็เอามาทำบุญทำทานดีกว่ามีคำถามเข้ามาใา้อ่านเลยไมมหมออาจารย์คำอธิบายอย่างไรให้พ่อแม่ไปฉีดวัคซีนครับท่านกลัวมากๆเขาบอกว่าผลผลกระทบที่จะเกิดจากวัคซีนนี้เหมือนถูกคอ ต, ตอรี่รวันที่หนึ่ง เวลาพ่อแม่ซื้อลอตเตอรี่แต่ละครั้งหังว่าคิดว่าจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็แบบมันไม่ถูกหรอกคนหนึ่งในร้านที่จะไปมีปัญหากับวัคซีนคนอีกต้องเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันนี้เขาปลอดภัยกันทุกคนดังนั้นโอกาสที่เราจะเป็นอะไรจากวัคซีนนี้มันน้อยมากแต่โอกาสที่เราจะติดเชื้อโรคนี้มันมากกว่านะคนนี้ติดลดเชื้อโรค ติดพัเชื้อโล่ากันเท่าไหร่เนี่ยแล้วตายกันไปเท่าไหร่นั้นดูตามสถิติแล้วนี่มันโอกาสที่จะตายหรือว่ามีเป็นอะไรจากวัคซีนนี่มันน้อยมากน้อยมากกว่าหลายเท่าจากการที่จะไปติดเชื้อแล้วต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเรือถึงแก่ความตายไปเห็นฉีดไปเถิดไม่ไม่มีปัญหาหรอก ดีกว่าไม่ฉีดฉีดแล้วจะสบายใจแล้วจะไปไหนมาไหนได้นั่นก็จะต้องเก็บตัวกักตัวอยู่เอ ง, เ อ, งอยู่ในบ้านตลอดเวลาใช่ไหมคุณหมออรยงคำถามนี้คุณหมอหน่าจะเป็นคนตอบมากกว่านะเวลานั่งสมาธิมักจะปวดหัวจะปฏิบัติอย่างไรดีคะถึงเนีไม่ปวดหัว คือการปวดหัวนี่มันเป็นปฏิกิริยาของใจของกิเลสของเราเนี่ยะมันไม่ชอบอยู่เฉยๆพอเราจะให้มันนั่งอยู่เฉยๆนี่มันจะปวดหัวขึ้นมาแต่ถ้าเราให้มันนั่งดูหนังนี่มันไม่ปวดหรอกนั่งดูหนังเป็นชั่วโมงนี่มันดูได้เพราะมันชอบถ้ามันได้ทําในของที่มันชอบมันจะไม่ปวดหัวแต่พอให้มันนั่งอยู่เฉยๆไม่มีอะไรให้มันดูไม่มีอะไรให้มันฟังมันก็จะเกิดอาการปวดหัวขึ้นมา เป็นเรื่องของอเรื่องของปฏิกิริยาของจิตใจหรือของกิเลสที่มีอยู่ในจิตใจของเราดังนั้นก่อนที่เราจะนั่งได้นี่บางทีถ้าปวดหัวก็ใช้การสวดมนต์ไปก่อนนั่งสวดมนต์ไปเพราะว่าถเราสวดมนต์อย่างน้อยเราก็จะได้อ่าจิตเราจะได้มีอะไรได้ไ ด, ได้คิดคิดบทสวดมนต์ไปมันไม่ให้มีอะไรให้ทำํำอาการปวดหัวก็จะไม่มี สวดไปสักจนกระทั่งรู้สึกว่าจิตเหนื่อยไม่อยากจะสวดแล้วก็ลองนั่งก็ลองดูนั่งดูลมต่อไปบางทีเนี้ยต้องอาศัยการสวดมนเพื่อผ่อนคลายความเครียดของใจก่อนเพราะใจไม่ชอบอยู่เฉยๆพอให้อยู่เฉยๆให้ดูลมหายใจหรือให้พุโทโธนี่มันจะเกิดอาการปวดขึ้นมาทันทีก็ลองใช้การสวดมนไปก่อน สวดบทง่ายๆอิติปิสโสเนี่ก็ได้อิทิปิสโสปะปวาเนี่ยสวดไปหลายๆจบสวดไปจนกระทั่งรู้สึกว่าใจเย็นใจเบาใจสบายแล้วก็ลองหยุดสวดแล้วก็ลองดูลมหายใจต่อดูลมก็ไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมดูเฉยๆเหมือนดูหนังเนี่ยดูลมก็เหมือนดูหนังดูที่ปลายจมูกดูตรงที่จุด ท, ที่ลมสัมผัสกับร่างกายคือปลายที่ปลายจมูก รู้ว่ามันเข้ารั่วมันออกไม่ต้องไปบังคับลมดูเฉยๆเป็นเหมือนดูหนังนยถ้าเราดูก่อนลมเพลินไม่ไปคิดเรื่องนี้เร่งนีง้นนนใจก็จะสงบเย็นแล้วมีความสงบ ข, ขึ้นมาดีไหมอ่ะคุณน้องตอน้นการอยู่กับปัจจุบันเราสามารถกระทำได้อย่างไรครับเราควรคุณหมอฝากถามหน่อยนะครับ เก็การอยู่ปัจจุบันก็เช่นกันเรเลือกเต็มพุทโธพุทโธนี่มันก็จะดึงใจให้เราไม่ไปอดิศไม่ไปในอนาคตถ้าเราต้องพุทโธพุทโธพุท โ, โธอยู่เนี่ยมันก็จะไปอดีตไม่ได้ไปอนาคตไม่ได้เียวิธีหนึ่งก็ให้เราเฝ้าดูการการะทําของร่างกายของเราาตอนนี้เรากําลังกระทาอะไรอยู่ถ้าเรากําลังรับประทานอาหารก็ให้เฝ้าดูการรับประทานอาหารน มันก็จะอยู่ในปัจจุบันร่างกายเหล่านี้เป็นที่ตั้งของปัจจุบันถ้าอยากจะให้ใจอยู่ปัจจุบันก็ต้องถูกไว้กับร่างกายให้ให้อยู่กับอิริยาบทการเคลื่อนไว้ต่างๆของร่างกายมันก็จะเป็นปัจจุบันขึ้นมา่คำถามต่อไปคุณอารอนบอยแปดหกจากคนไม่เชื่อในาศาสนาเพรไม่เคยได้ฟังธรรม แต่ในใจยังคงเชื่อเสมอว่าพุทธะจะช่วยเป็นที่ยึดเหนี่ยวได้แต่สุดท้ายใจก็ยังติดในความสุขของขอครอบครัวห่วงกังวลจะทํำยังไงให้เว้าหน้ามีเป็นเรื่องธรรมชาติครับความยิงธรรมะหรือศาสนานในกรณีก็เป็นวิชาความรู้เป็นเหมือนฟิสิกส์เหมือนเป็นเหมือนประวัติศาสตร์เป็นเหมือนอะไรเป็นวิชาอย่างหนึ่งเท่านั้องเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับ เดี่ยวลึกกับจิตใจของเราเป็นวิชาที่จะสอนให้เรารู้จักวิธีควบคุมรักษาใจของเราไม่ให้ทุกข์ไม่ให้เครเกียวกับเรื่อ ง, อางราวต่างๆเป็นจิตศาสตร์ก็ได้จะเรียกว่าเป็นจิตศาสษาก็ได้เราศึกษาดูสิไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะยุ่งยากเลยศึกษาหาหนังสือเบื้องต้นจะศึกษาพระพุทธเจ้าก่อนเลยลองศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าดู พระพุทธเจ้าท่านเป็นไข่ท่านทําอะไรท่านถึงมีคนนับถือมากมายยอดชาตันงถึงในสมัยปัจจุบันนี้ศึกษาแล้วเราก็จะเข้าใจว่าท่านได้ทําอะไรท่านได้พบความรู้ที่ท่านนํามาสอนพวกเรานี้ที่จะช่วยทําให้น้ำจิตใจของเราเย็นจิตใจของเราสบายจิตใจของเราจะไม่เครียดกับเรื่องราวต่างๆอย่างที่เรากันเครียดกันอยู่ในขณะนี้ เพราะว่าเรามีความรู้ที่จะสอนใจให้ปล่อยวางให้อยู่กับเหตุการณ์ต่างๆได้ไม่เครียดกับเหตุการณ์ต่างๆยังต้องศึกษาก่อนเพราะพุทธศาสนา น, นี่เป็นเป็นเรื่องของเรื่องวิชาความรู้เราก็ต้องนำํำหลังจากศึกษาแล้วก็ต้องนําออกไปทดสอบเอาไปพิสูจน์ดูว่าสามารถ มาทำให้ใจเราเย็นทำให้ใจเราสงบทำให้ใจเรามีความสุขได้หรือไม่ถ้าเราเป็นแต่ศึกษาเพียงอย่างเดียวนี้มันยังไม่รู้ต้องศึกษาแล้วก็ต้องเอามาปฏิบัติสิ่งที่ท่านสอนให้เราปฏิบัติก็มีสามข้อใหญ่ๆข้อที่หนก็คือทำบุญททานเสียสละแบ่งปันฐานกำลังของเรามีมากมีน้อยก็ทำไปตามกำลังของเราข้อสองการักษาศีล เพอไม่ไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเพราะัารไปทําให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนมันจะทําให้เราทุกข์ไปเวลาทําให้คนอื่นเขาทุกข์เราจะเราจะเกิดความทุกข์ตามมาถ้าเราไม่ต้องการมีความทุกข์ความเครียดก็อย่าไปทําให้ผู้อื่นเขาเสียหายหเดือดร้อนอย่าไปฆ่าสัตว์อย่าไปลักทรัพย์ของผู้อื่นอย่าไปกระเพื่ผิดตัวเวณนี่อย่าไ ป, ป พูดปดอย่าไปดื่มสุรายาเมาเพราะสุรานี้เป็นตัวที่จะทําให้เราไม่มีสติที่จะควบคุมการกระทําของเราได้มันก็จะเป็นวิธีที่จะป้องกันความทุกข์ไม่ให้เกิดขึ้นมาในใจของเราทําทานก็จะทําให้เรามีความสุขใจขึ้นมาแล้วมันจะทําให้เราเห็นความเห็นประโยชน์ของการรักษาใจดูแลใจให้สงบให้เย็นมันก็จะทําให้เรา อยากที่จะไปปฏิบัติขั้นที่สามคือภาวนาภาวนาก็คือการปฏิบัติธรรมมีสองระดับระดับแรกเรียกว่าสมาธิระดับที่สองเรียกว่าปัญญาระดับแรกก็ทําใจให้สงบให้มีความสุขจากการนั่งสมาธิจากการเจริญสติหยุดความคิดต่างๆอันนี้ก็จะเป็นความสุขแบบชั่วคราวเวลามีสติควบคุมความคิดหยุดความคิดได้ ใจก็เย็นใจสบายแต่บางครั้งสตินอกขาดเาเผอไปคิดเรื่องต่างๆเนี่ยก็เครขึ้นมาได้ถ้าต้องการที่จะให้จิตสงบตลอดก็ต้องขึ้นสู่ระดับที่ที่สองของการปฏิบัติก็คือการเจริญปัญญาการสอนใจให้เห็นว่าเหตุที่ทำให้ใจเราทุกข์นี้เกิดจากความหลงเกิดจากความอยากของเราหลงหลงไปเห็นในสิ่งที่มันไม่ใช่เป็นความจริง หลวงไปคิดว่าร่างกายเป็นเราอย่างนี้เป็นต้นหลงไปคิดว่าทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองต่างๆเป็นของเรามันเป็นจริงมันเป็นของเราเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเพราะนั้นะม่ช้าก็เร็วในที่สุดวันใดวันหนึ่งมันก็จะต้องจากเราไปที่เราเครียดกับพราะเราไม่อยากให้มันจากเราไปอยากจะให้อยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดซึ่งมันขัดกับหลักความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้ ถ้าเรารู้ด้วยปัญญาเราก็จะปล่อยวางจะไม่ไปหวังอะไรจากสิ่งที่มันเป็นของชั่วคราวมาของสิ่งที่มันเป็นของถาวรดีกว่าก็คือการทำใจให้สนุกอยู่กับความสนุกปล่อยวางอย่าไปหาความสุขทางอื่นอย่าไปหาความสุขทางร่างกายอย่าไปหาความสุขจากบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้เมื่อเราไม่ต้องพึ่งสิ่งเหล่านี้แล้ว เวลาเขาจะจากเราไปก็จะไม่ทําให้เราทุกข์ไม่ทําให้เราเดือดร้อนเพราะเรายังสามารถมีความสงบอยู่กับความสงบของเราได้นี่คือเรื่องของการศึกษาและการปฏิบัติเราไปศึกษาดูและปฏิบัติดูแล้วจะเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาเราเมื่อก่อนก็ไม่ใช่เป็นคนศาสนาเราก็เป็นคนทางโลกเนี่ยล้วก็ไปเรียนหนังสือไปเรียนวิศวะ ไปเรนที่เมืองนอกเส็ได้ซ้ำไปแต่จบแล้วเค้นคิดว่าใจ้ะไม่มีความทุกข์มันก็ยังมีความทุกข์เหมือนเดิมอยู่ทุกข์มากกว่าเดิมเลยจบแล้วทีนี้ก็ต้องหางานอีกพอได้ไงานก็ทุกข์กับการทํางานทุกข์กับการห่วงว่าจะถูกออกจากงานหรือไม่พอดีวันดีวันดีโชคดีได้หนังสือธรรมะมาอ่านเรื่องหนึ่งพูดถึงเรื่องความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสิ่งต่างๆในโลกนี้ มันก็ทำให้เราหูตาสว่างว่าเรากําลังหาความสุขจากสิ่งที่ไม่แน่นอนเมืม่อมันไม่แน่นอนมันก็ต้องทําให้เรากังวลทําให้เราวิตกทําให้เราทุกข์ให้เราเครียดแล้วก็ในหนังสือก็บอกว่าวิธีที่จะหาความสุขก็าาหาความสุขจากการทําใจให้สงบมันก็เลยทําให้เรามีจุดหักเหจากการที่จะทําทงานทําการหาเงินหาความสุขก็เลยลอามาเปลี่ยน ลองนั่งสมาธิอยู่ก็ไม่ได้ทํบาบรมากมายใหม่ๆก็ยังกาว่างตรงไหนก็ทำไปนั่งแล้ว<อ>วันดีก็ดีมันก็เกิดความสงกขึ้นมาเกิดเป็นความรู้สึกมีความสงบ ข, ขึ้นมามันก็เลยเห็นคุณค่าของความสงกนี้ก็เลยอยากจะศึกษาให้มากขึ้นปฏิบัติให้มากขึ้นพ็เรานลล่าออจากงานแล้วก็ ทุงเทให้เวลากับการปฏิบัติศึกษาวิธีปฏิบัติต่างๆมันก็พาไปอยู่นี่เลยจนในที่สุดก็เห็นว่าไม่มีอะไรดีเท่ากับการได้บวชการบวชนี้จะทำให้เรามีเวลาได้ปฏิบัติทมได้ศึกษาทมอย่างเต็มที่ให้กบจัดความทุกต่ตางๆให้หมดไปจากใจได้หมดเลย น, นี่คือสรุปโดยย่อให้ท่านทั้งหลายได้ฟัง อาจารย์บวชปี2518ครับผมเออครับ46ปีแล้วเนี่ยคือเป็นปีผมเกิดพอดีครับอาจารย์ผมก็เลยทําได้เลยครับผมเกิดทังโลกครับอาจารย์เกิดทางธรรมปีนั้นพอดีเกิดทั้งธรรมเดินคุมภารวันที่19 19คุ้มภารฟันพระอาจารย์ครับมีคนพูดอย่างนี้หลายคนเลยครับบอกว่าไม่เคยฟังธรรมที่ไหนมาเลยครับอาจารย์เพิ่งมาได้ฟังที่นี่เป็นครั้งแรกเลยนะครับ นั่นแหละอาจจะมันไฟบางครั้มันวันธรรที่นี่เขาก็ไม่พูดธรรมมา ก, กันมีแต่เรื่องหมอเรื่องรักษาสุขภาพเนี่ยไม่ทราบคนดีกคนเดียวันนี้คุณหมอเขานีม่มอนมาเราก็เห็นว่าโอเคมันมันสะดวกดีสมัยนี้นีม่มอนแบบนี้ไม่ต้องเดินทางเป็นแต่นั่งที่หน้าจอก็สามารถเข้าถึงบุคคนได้เยอนะแยะก็เลยรับนีม่มอนก็กลับขอบคุณพระอาจารยเมตตาด้วยนะครับพระอาจารย์ยังมีคำถามอยู่พระอาจารย์จะสะดวก ถึงต้นไหนป้าจังก็บอกได้เลยนะครับผมถ้าคุณหมออยากจะหยุดเมื่อไหร่ก็บอกป้ากันแล้วก็เมื่อคืนนี้เราอยากจะหยุดตั้งห้าทุ่มเมื่อคืนตั้งสามชั่วโมงก็ต่ น, น, นี้ก็มีคําถามขนาดส่วนบนจิตเขาวิ่งไปนูน่นนี่ตลอดไม่เคยนิ่งเลยก็ต้องฝืนต้องบังคับให้มันอยู่มันนิ่มๆไปพอรู้วมันวิ่งไปก็ยึดมันกลับมาหรือสวดให้ชาติลงก่อนก็ได้ สวดธีลคมอิติปิโสภะกวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชฌาจรณะ์สัมปันโนสุขโตสวดไปเบื้องต้นอาจจะออกเสียงก่อนก็ได้การสวดที่ดีที่สุดก็คือการสวดในใจเพราะจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับร่างกายไม่ต้องใช้ร่างกายแต่ถ้ายังสวดในใจไม่ได้ก็สวดออกเสียงไปก่อนก็ได้แตออกเบาๆไม่ต้องออกเสียงดัง คนบางคนเข้าใจผิดคิดว่าต้องสวดดังๆเพื่อเทวดาฟังเทวดาที่ไหนก็จะมาฟังการสวดมนต์ของเราไม่มีหรอกเป็นความเข้าใจผิดนะงั้นไม่ต้องไปสวดให้ใครฟังสวดดังๆบางทีทําให้ชาวบ้านไปรบกวนชาวบ้านของป่ากเขาจะตำคาญสวดเบาๆพึมพำพึมําไปายหนึ่งภายในป่ากของเรานี้สวดช้าๆก่อนก็ได้ท่าใจมันยังวิ่งไปวิ่งมา การสวดช้ามันก็จะทําให้เราออยู่กับการสวดได้แล้วพอเริ่มเริ่มจิตมันเริ่มไม่ไปแล้วเราก็สวดให้มันเร็วขึ้นก็ได้หรือว่าถ้ามันไม่ไปแล้วเราก็หยุดสวดก็ได้าหันมาดูลงกว่าดูลงมันจะสบายกว่ามากเพราะไม่ต้องทํางานมากเหมือนกับการสวด้องทาดูนะลองปรับดูแล้วก็ถ้าที่สวดมนต์ น, นี้ถ้าเป็นที่ไม่ที่สงบก็ดีที่ไม่มีอะไรมารบกวนเรา ถ้ามีคนทํานู่นทํานี่หรือกระตุกเคลือนโพลนี่มันจะทําให้การการสวด น, นี่ยากด้วยหมือนการจะสวดมนต์ในการนั่งสมาธินี่ต้องให้สถานที่สงบสงัดวิเวกคําถามจากคุณยิ่งพันุนั่งสมาธินางานแล้วไม่สามารถหลังความเจ็บปวดที่ขาได้ครับเก็บทรมานไม่สามารถสงบได้ต้องฝวนอย่างไรครับ ตอนที่มันเจ็บท ร, รมานก็อย่าไปให้อย่าไปดูที่ความเจ็บดึงใจให้มาอยู่กับคำบริกรรมบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธให้มันกเกาะติดกับพุโทโธให้มันแนบไปกับใจของเราอย่าไปคิดถึงความเจ็บเลยถ้ามันอยู่กับพุโทโธไม่ได้ชระาะหนึ่งแล้วใจมันจะห่างจากความเจ็บไปแล้วความเจ็บจะรู้สึกว่าเบาเล็กน้อยไม่ไม่ทาให้ใจเดือดร้อนได้ เพราะฉะนัเวลาเจ็บอย่กไปคิดถึงความเจ็บยิ่งคิดถึงความเจ็บมันยิ่งปวดใหญ่เพราะใจมันอยากให้หายยิ่งอยากให้หายก็เกิดความเจ็บทางใจขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเนี่ยเป็นตัวที่ทรมานก็คือความเจ็บทางใจไม่ใช่ความเจ็บทางร่างกายเราต้องพยายามป้องกันไม่ให้ความเจ็บทางใจเกิดขึ้นด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้าบริกรรมพุทโธพุทโธไปมันจะเกิดความอยากให้ความเจ็บหายไปไม่ได้ ความเจ็บทางใจก็จะไม่มีแล้วใจก็จะเบาจะไม่เดือดร้อนกับความเจ็บทางทางร่างกายอย่าไปอยากให้ความเจ็บหายเพราะมันเป็นอนัตตาเราไปบังคับมันไม่ได้เราต้องการฝึกให้ใจอยู่กับความเจ็บให้ได้ด้วยการหยุดความอยากให้ความเจ็บนั้นหายไปในการบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปอยู่เรื่อยๆแล้วเดี๋ยวความอยากให้ความเจ็บหายไปใจก็เย็นใจก็นิ่ง แล้วก็จะอยู่กับความเจ็บได้คนมิชชิลาร์บิทแฟมิลี่เมื่อวานเผลอเยียบก็ดองหอยทากแต่รู้สึกผิดก่อนนอนเลยสวดมนต์น่าแผ่เมตตาให้หอยทากตัวนั้นทำแบบนี้จะช่วยบรรเทาเวรกรรมต่อกันได้ไหมคะถ้าเราเคยทำลายสัตว์โดยไม่เจตนาจะทำอย่างไรให้ไม่จองเวรต่อกันคะ เราห้ามเขาไม่ได้หรอกพะเขาเป็นผู้เสียหายแต่ถ้ามันเป็นเรื่องอุบัติเหตุนี่ก็มักจะไม่มีการจองเวรจองกรรมกันเพราะว่าต่างฝ่ายต่างไม่มีเจตนาแต่ถ้ามีเจตนาและเขารู้ว่าเรามีเจตนาขอบเขาเนี่เขาก็จะจองเวรจองกรรมกับเราได้แต่ถ้าเป็นอุบัติเหตุนี่เช่นขับรถไปชนกันเนี่ย ทั้งสองฝ่ายเเสียหายเาะไม่มีใครจะมาจองเวรจองกรรมกันเพราะรู้ว่ามันเป็นเรื่องสุดวิสัยแต่จึงแต่ก็ควรจะลดเรื่องสุดสุดวิสัยนี้ให้น้อยลงหน้าด้วยการเจริญสติพยายามทำทาอะไรให้มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวอย่าไปให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็เดินไปโดยที่ไม่มองข้างหน้าว่ามีอะไรอยู่ข้างหน้าเราแล้วก็เลยไปเหยียบของที่อยู่ข้างหน้าล้ว แต่ถ้าเรามีสตินี่เราจะรู้ทุกก้าวทุกอย่างก้าว่าเรากำลังจะไปเหยียบอะไรข้างหน้ามันก็จะช่วยลดเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเหล่านี้ได้แต่ถ้าเป็นการกระทําที่ให้เกิดความเสียหายต่อกันนี้แล้วแต่ผู้ที่เสียหายว่าเขาจะกอดแขนกดเข่งเราหรือเปล่าก็เหมือนกับเราเวลาคนอื่นเขาทําอะไรให้เราเสียหายถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีเจตนาแต่เราก็อาจจะจองเวรจองกรรมเขาได้ เพราะเราเสียหายอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งต้องพยายามฝึกสติทำไปแล้วเราจะไปห้ามของให้มาไม่มาโกรธเราไม่ได้พราะ เ, เสียหายเขาก็ต้องโกรธเราเหมือนกับเราเวลาที่เราเสียหายเราก็ต้องโกรธเขาเป็นธรรมดาท่านต่อไปคุณเรลี่สองศูนย์หนึ่งสอง เป็นคนที่วิตกกังวลกลัวกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงจิตไม่นิ่งพุ่งร้างอยู่บ่อยครั้งทําให้เกิดทุกข์ทางใจคก็จะรู้สึกทรมานทันยังไงคะถึงจะไม่เกิดทุกข์ค ะ, ก, ก, คะ mm. ก็ต้องฝึกกรรมสมาธินี่แหละทําสมาธิทําจิตให้นิ่งให้ได้ขั้นต้นก็ฝึกสติก่อนมันจเจริญสติอยู่ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาลืมตาขึ้นมา mm. ช่วงที่เรายังไม่ไปทําภารกิจอะไรต่างๆไปทุระไปทําอะไรที่ต้องใช้ความคิด เราก็ใช้พุโทโธพุโทโธหยุดความคิดอย่าป่อให้คิดหรือไม่เช่นนั้นก็เฝ้าดูว่าร่างกายของเรากําลังทําอะไรอยู่กําลังอาบน้ํากําลังล้างหน้าแปรงฟันก็ให้อยู่กับวิทยาบทเหล่านี้อย่าให้ไปคิดถึงอดีตถึงอนาคตอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้อันนี้เราก็จะมีสติเราก็จะมีกําลังที่จะทําจิตให้นิ่งได้ไม่ให้ลอยไปลอยมาแล้วเวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบนิ่งได้มากขึ้นด้วย ต้องพยายามฝึกสติให้มากๆแล้วสติตัวนี้แหละจะเป็นตัวที่จะมาทําใจให้นิ่งไม่ฟุง้งซ่านแล้สามารถทําให้เราตรงวางได้เรามารับพิจารณาความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องมีวันสิ้นสุดลงเป็นอนาคตของเราก็คือความแก่ความเจ็บความตายที่มันรอเราอยู่ทุกคนถ้าเรามีสติทําใจให้นิ่งได้เราก็จะเราก็จะทําได้เราก็จะตรงได้ เราก็จะไม่ทุกกับความแก่ความเจ็บความตายไม่ทุกกับการพัดผ่านจากกันได้ดนั้นพยายามฝึกสติให้มากลองทําดูไม่ยากเป็นอย่ท่องพุพโทโธไปหรือเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายไปจิตมันก็จะไม่มันก็จะนิ่งมันก็จะอยู่ในปัจจุบันมันก็จะไปอดีตไม่ได้ไปอนาคตไม่ได้ถ้ามันจะไปปั๊บก็หนึ่งมันกลับมาพราะรู้ว่ากําลังไปคิดถึงอดีตก็พุโทโธพุโทโธพุโทพโธเดีมันก็หยุดคิดเอง คุณเกษการได้ยินมาว่าหลังทําบุญต้องกวดน้ำฝากพระแม่ธรณีทุกครั้งอยากให้อาจารย์ให้ความกระจ่างเรื่องการกวดน้ําความจริงเรื่องการทําบุญนี้เนไม่ต้องกวดน้ําก็ได้เรื่องกวดน้ํานี่มันเป็นเรื่องของศาสนาพราหมณ์ที่เราเอาอมาบวกคือการทําบุญนี้เราสามารถแบ่งบุญที่เราทําให้แก่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วได้เช่นบิดามารดา ผู้มีพระคุณทั้งหลายหรือคนที่เราลากเราชอบเวลาเขาตายไปเขาจะไม่สามารถหาบุญได้ด้วยตนเองทำบุญไม่ได้เราสามารถแบ่งบุญที่เราทำใ น, ใ น, ในวันนี้ในปัจจุบันนี้เราสามารถแบ่งให้เขาได้บางส่วนไม่ได้ทั้งหมดและเวทีที่จะอุทิศบุญหรือแบ่งบุญให้กับเขาก็ให้ระลึกในใจว่า ขออุทิศบุญส่วนนี้ให้กับบุคคลนั้นบุคคลนี้ที่ร่วงลับไปแล้วท่านนี้ก็จบไอ้ที่มีการกวดน้ําเพราะว่าเป็นการเป็นการสร้างภาพตัวอย่างให้ให้เห็นว่าบุญนี้เป็นอย่างไรเขาเลยเอาน้ํานี้มาเป็นตัวตัวบุญตัวบุญน้ําที่อยู่ในภาชนะหนึ่งก็คือบุญที่อยู่ในใจของเราและเวลาที่เราเทน้ําออกจากภาชนะ แ ล, แ, ลแล้วเทลงไปอีกภาชนะหนี่ยก็เรากําลังส่งบุญไปให้กับใจเอกใจห่งทนี้ซึ่งเราไม่จําเป็นจะต้องใช้น้ําแต่ถ้าเราไปอยู่ที่ที่เขาใช้เราก็ใช้ไปตามตามตามตามรารยาตามธรรมเนียมแต่ความเป็นจริงเมื่อเราไม่ต้องไม่ต้องใช้การไม่ต้องใช้น้ำในทีวิตการจะอุทิศบุญในอุทิศานใจของเราไปได้เลยแต่ต้องมีบุญก่อนต้องทําบุญ บุญที่เกิดที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือการทำบุญทำทานยการบริจาคทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองเสียสละแบ่งปันให้กับใครก็ได้ให้กับพระก็ได้ให้กับพ่อแม่พี่น้องให้กับใครก็ได้ให้เขามีความสุขแล้วเราจะเกิดความสุขใจขึ้นมาแล้วเราก็แบ่งความสุขใจนี่แหละคือความสุขใจอิ่มใจกับผู้ที่นงรับไปแล้วได้ อาจารย์คําถามามีมีเต็มเลยครับอาจารย์ครับสงสัยขอรบกวนอาจารย์ถึงสักสามทุ่มได้ไหมครับผมสักามทุ่มได้เชมได้รครับอาจารย์ครับจะได้ไม่กวนอาจารย์มากเกินไปครับผมโอคําถามตอบไหม่หมดเลยครับอาจารย์ตอนนี้วูลนมธมอาจารย์ครั้งหน้าด้วยนะครับผมก็ได้ก็ได้ถตาถ้ามีคนสนใจก็ยินดีอ่าอยู่ต่างประเทศคนเม็ดอินอีสาน อยู่ต่างประเทศครับบางทีก็สวดมนต์ภาวานาโดยใช้บริกรรมพุทโธธรรมโมสังโฆ ร, ระหว่างวันถ้ารู้สึกตัวก็จะรู้ว่ากาลังขยับมือกวาบ้านและบางบางมีผนึกขึ้นได้ก็นึกพุทโธธรรมโมสังโฆแบบนี้ทำได้ไหมครับเพื่อนกลัวหลงทางคะ่ะได้ถูกต้องเวลาถ้าไม่ใช้พุทโทรธธมโมสังโฆ ก็ให้ใช้ดูดูตัวเราว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังกวาดบ้านเราก็ให้มีสติอยู่การกวาดบ้านคือเป้าหมายก็คือไม่ให้ใจเราคิดเรื่องราวต่างๆไม่ให้ลอยไปอดีตไม่ให้ลอยไปอนาคตให้อยู่ในปัจจุบันให้นิ่งไม่ให้คิดปุ่งแตกให้สักแต่ว่ารู้เฉยๆให้รู้ว่าเรากาลังทาอะไรใจนิ่งมันทาให้ใจเราเย็นทาให้ใจเราสบายทำให้ใจเรามีความสุข ถ้าใจคิดแล้วมันจะฟุง้งมันจะวุ่นวายเพราะมันส่วนใหญ่มันคิดไปทางกิเล็กคิดไปทางความโลภความอยากต่างๆไปแล้วก็ทาให้เกิดความวิตกกังวลหวาดกลัวต่างๆขึ้นมาพอหยุดคิดอารมณ์ต่างๆที่ไม่ดีมันก็จาะหายไปทาวิธีนี้ก็ถูกแล้วนึกถึงพุทธโธทํามูส่สาครอก็ได้หรือนึกถึงพุทธโธคมเดียวก็ได้ส่วนมนุ์ก็ได้ หรือคอยเฝ้าดูว่าเรากาลังทาอะไรอยู่ก็ได้ได้ทั้งหมดสลับกันได้คนปัญญาหน้าเมื่อวานนี้มีงูเข้าบ้านกันก็เลยสังหารมืดเขาเลยอย่างนึงก็ไม่อยากให้ทำเนื่องจากเป็นวันคพระด้วยจะเป็นอะไรไมครับกาบาบสิถ้าเราเป็นถ้าเราเป็นงูถูกเข้าฆ่าเราจะรู้สึกอย่างไรเนี่ยถ้าเราถูกคนอื่นเข้าฆ่า งูกับเขางูกับเรานี่มันต่างกันที่รูปร่างแล้วทางร่างกายเท่านั้นะแต่จิตใจของเรานี่เหมือนกันนรักเกล้ากลัวตายเหมือนกันแล้วกดแค้นกดเครื่องเวลาใครเข้ามาฆ่าเรานี้เราก็ต้องเราก็จองเวจองกลับกับเขาดังั้นอย่าไปฆ่าสัตว์นะไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามในกระทั่งฆ่าเพื่อความเมตต า, ตาเขาไม่ควรฆ่าก็เรียกว่าคนอมันก็ยัง เ, เ, เป็นการฆ่าอยู่ ถึงแม้เขาขอร้องให้เราฆ่าขเขาเราก็ทำไม่ไดนะ้เพราะว่ามันเป็นการฆ่าเป็นการทารุณกรรมเพราะว่าบางทีคนที่เจ็บปวดทรมานมากสติก็ไม่มีก็เลยคิดผิดคิดว่าการฆ่าตัวตายนี่จะเป็นทางออกมันไม่ได้เป็นทางออกหรอกเพราะว่าต้นเหตุของความทุกข์ทรมานมันไม่ได้อยู่ที่ความเจ็บปวยของร่างกายแต่มันอยู่ที่กิเลสที่ไม่อยากให้ร่างกายเจ็บ ปวดทานเองงั้นสู้ปล่อยให้เขาเจ็บปวดไปดีกว่าเดี๋ยวจิตของเขาจะจะรับเองเพราะเขารู้ว่าในที่สุดเมื่อมันทําให้ความเจ็บปวดหายไปไม่ได้ความทะรุนทะลาที่อยากให้มันหายไปมันก็หยุดเองพอหยุดใจของเขาให้เขาจะสงบแล้วเขาก็จะตา ย, ยาเขาก็จะอยู่กับความเจ็บปวดของร่างกายของเขาได้ต่อไปอะคุณ เทียนใจยังเพียงแต่นมัส ก, การอย่างเดียวเฮดี hey, มีความทุกข์จากการไม่มีโลก <c oughs> เ, ปเป็นความเข้าใจผิดการมีโลกนี่มันเป็นทุกข์ไม่เห็นนะถ้าเราไปมีความทุกข์ใจการไม่มีโลกก็แสดงว่าเรามืดบอดเราไม่เห็นสัจธรรมความจริงการมีโลกนี่มันเป็นทุกข์นะทุกข์เพราะจำหนึ่งต้องเลี้ยงดูเขาเลยเงนทองที่เราหามาได้นี้ก็ต้องเอามาเลี้ยงเขา เราก็ต้องมาทุกกับความกังวลทุกข์กับความห่วงใหญ่ทุกข์กับปัญหาต่างๆของลูกทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยของลูกทุกข์กับสารพัดสารพันปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นถ้าไม่มีไม่มีลูกความทุกข์เหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นกับเราเลยนี่แสดงว่าถูกเอาวิชาครอบงำกลับไปเห็นว่าการมีลูกนี่เป็นการมีความสุข ต่อไปคุณนงนัศขอการเมตตาพระอาจารย์จะต้องทำจิตอย่างไรที่จาเป็นต้องอยู่กับคนที่เป็นจิตอันตรพานนี้ก็ไม่ได้เพราะเป็นคนในครอบครัวเจ้าค่ะก็ <c oughs> <c oughs> ทำใจว่ามันเป็นวิบากกรรมของเราเ็ราแล้วกันที่จะต้องมาเจอกับคนอย่างนี้วิธีที่จะทำให้ใจเราไม่ทุกข์ก็คือ อย่าไปอยากหนีเขาไปอย่าไปอยากให้เขาหายไปหรืออยากไปอยากให้เราหนีจากเขาไปเมื่อเราต้องอยู่เขาก็ทำใจว่าอยู่กันไปยอมรับความเป็นจริงเมื่อยากต้องอยู่กันก็อยู่กันไปแต่ก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงวันดีค็ดีวันใดวันหนึ่งมันก็ต้องมีการทัดรากจากกันไปเป็นธรรมดานี่ก็ต้องหัดทำใจอย่าไปอยากให้เขา หายไปแล้ว อ, อยากไป อ, อยากให้เราจากเข้าไปหนีเข้าไปเพราะถ้าเราไปไม่ได้เราก็จะทุกข์มากเครียบมากแต่ถ้าเราไม่มีความอยากเราก็จะอยู่กับเขาได้ไม่เดือดร้อนอะไรการสวดมนต์แบบฟัง y o ยูทูบจากคุณชัดชยาการสวดมนต์แบบฟัง y ยูทูบหรือต้องสวดออกเสียงเองแบบไหนดีกว่ากันครับสวนเองจะดีกว่าถ้าเรายังสวดไม่เป็นเราก็อาจจะฟัง ฟังแล้วเราหัดสวดไปก่อนแถ้าเราสวดเองได้ก็สวดเองดีกว่าเพราะหนึ่งเราจะได้ไม่ต้องไปพึ่งคนอื่นไม่ต้องไปพึ่ง youtube ถ้าเกิดเครื่องเสียเราก็ไม่มีเราก็จะสวดไม่ได้ถ้าเราสวดเองได้เราก็จะสวดได้ทุกเวลาที่เราต้องการหัดสวดบนเองดีกว่าแล้วพอจําได้แล้วเราก็สวดองเราไม่ต้องสวดยาวก็ได้ครับบทสวดวนเกิดบทสั้นๆแต่สวดหลายๆรอบสวดอันนานได้ โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องสวดบทายาวๆสวดบทสั้นๆแต่สวดหลายๆรอบ ก, ก็ได้เช่นอีพีโส ร, ร้อยจบนี้ก็มีก็มีธรรมเนียม ว, ว่าถ้าเราอายุเท่าไหร่เราก็สวดให้ตามอายุของเราถ้าเราอายุสามสิบก็สวดสามสิบรอบสวดเพื่อให้ใจเราเย็นใช้ให้ใจเราสงบให้ให้ใจเราไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆจากคุณเชฟ น, นันไลฟส์สไตล์หล n งพ่อครับ คนพุดในบางตายส่วนมากเวลามีทุกข์ชอบบุญบานสารกล่าวหรือไปหาผีเจ้าเข้าส่งหลวงพ่อช่วยแนนเราที่ถูกต้องให้ชาวพุทธด้ครับคือพวกนี้ไม่ถือว่าเป็นชาวพุทธหรอกพูดแต่ชื่อในทะเบียนบ้านนะแต่ความจริงเขาไม่ใช่พุทธหรอกพระพุทธเขาจะต้องมีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เขาจะต้องรู้ว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สอนให้เราดับทุกข์ด้วยวิธีใด วิธีดับทุกก็คือให้เราละลับความคิดละงับความอยากต่างๆของเราไม่ใช่ไปบุญบานสารการขออยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้ก็ทุกข์เลยไปไ ป, ไปบุญบานขอให้ได้อันนี้มันการบุญบาล น, นี้มันไม่ได้เป็นเหตุที่จะทำให้เราได้หรือไม่ได้หรอกบางทีมันเป็นจังหวะที่เราจะได้พอได้ไปบุญบานเข้าก็เลยไปคิดว่าการบุญบาล น, นี้เป็นเหตุที่ทําให้เราได้ความจริงมันไม่ได้เป็นเหตุ เตุที่จะทําให้เราได้อยู่ที่การกระทําของเราการการแสวงหาของเราซึ่งบางทีก็ไม่แน่ว่าจะได้หรือไม่ต้องยอมรับว่าไม่มีอะไรแน่นอนนแต่วิธีที่จะทําให้ใจเราไม่ทุกข์ก็คืออย่าไปอยากอย่าไปอยากให้เป็นนั่นเป็นนี้อยากให้เป็ น, น, นได้นั่นได้นี่พอเราไม่มีความอยากใจเราก็จะไม่ทุกข์พระพุทะเจ้สอนให้ชาวพุทธเราหัดทาใจให้สันโดษ เขาว่าสันโดษก็คือยินดีตามมีตามเกิดมีมากมีน้อยก็ให้ยินดีถ้ามียินดีแล้วจะมีความสุขจะมีความพอมีน้อยก็มีความสุขได้มีมากก็มีความสุขได้อย่าโลภมากใช้สันโดษนี้มามาหยุดความโลภความอยากแล้วความทุกข์ต่างๆก็จะไม่เกิดต่อไปคุณเคนโอการนับสถาร เราจะทำใจอย่างไรแม่ยึดติดถ้าเสียใจครับอย่างเช่นไม่ผ่านกา ร, ส, รสัมพันธ์ก็นั่นแหละเราก็ต้องสอนใจว่าเราอยู่ในโลกของความที่ไม่มีความเทงแท้แน่นอนบางทีเราอยากได้แต่มันก็ไม่ได้ก่อนที่เราจะอยากนี่เราต้องสอนบอกตัวเราเองก่อนว่าถ้าไม่อยากจะทุกข์ต้องต้องเตรียมรับกับความเป็นจริงทั้งสองรูปแบบเราอยากได้สิ่งนี้ความเป็นจริงก็คือเราอาจจะได้ เมื่อาจจะไม่ได้ถ้าเราพร้อมที่จะรับผลทั้งสองแบบได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีเราก็จะไม่เสียใจเราก็จะไม่ทุกข์ใจอย่างต่อไปก่อนที่เราจะอยากได้อะไรเราต้องบอกตัวเราก่อนว่าเออได้ก็ดีนะไม่ได้ก็ไม่ดีตอนนี้เราก็อยู่ของเราได้นี่ใช่ไหมเราคิดอย่างนี้ไปหาความทุกข์มาใส่หัวเราทําไมเวลาอยากได้แล้วไม่ได้เราก็เสียใจเพราะเราอยากได้เพียงอย่างเดียวต้องได้อย่างเดียว พอไม่ได้ก็เสียใจแต่แเราคิดว่าเราอยู่ในโลกของความไม่มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนอาจจะได้ก็ได้อาจจะไม่ได้ก็ได้ให้คิดอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่เสียใจเวลาไม่ได้ต่อไปบุญระยา่างคุณหนอคุณโชลีกับนบวิศาการพรอาจารย์ทําอย่างไรถึงจะไม่กลัวความตายคกลัวความทรมานก่อนตายก็ต้องหัดทาใจให้สงบ เพราะความท ร, รมานเกิดจากความความดิ้นรนของใจไม่ยอมตายนั่นเองดังนต้องตรงต้องยอมตายต้องยอมรับความตายให้ได้ว่าความตายนี้เป็นเรื่องธรรมดาล่วงพ้นไปไม่ได้และสิ่งที่ตายก็ไม่ใช่เราเนี่ยร่างกายไม่ใช่เราเราคือจิตใจที่ทรมานนี้คือจิตใจที่ไม่อยากตายก็คือจิตใจแต่ที่ตายก็คือร่างกายร่างกายมันไม่ท ร, รมานมันไม่รู้ว่ามันตาย แล้วเราต้องยอมรับกับความจริงว่าร่างกายนี้มันเป็นของชั่วกลาวมันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ตัวเราแล้วพยายามหัดทำใจให้สงบเวลาใจมันดิ้นพยายามท่องพุโทโธพุโทโธไปหรือสวดมนต์ไปทำใจให้สงบให้ได้แล้วความทรมารมันจะไม่เกิดต่อไปคุณหมอก o o d SS c h a n n e ขาดเทศการค่ะคุณพ่อเลี้ยงปลาไว้ขายออมากลัวบาปก็เลยไม่กินไม่ฆ่าไม่ขายเลี้งต่อไปจะบาปไหมค่ะคนทําอย่างไรกับปลาที่เหลืออยู่ค่ะก็ไปปล่อยที่เป็คนที่เขาไปปล่อยนอกปล่อยปลาแล้วก็ไปปล่อยทามแม่น้ำําทานให้เขาอยู่ตามอิสลภาพของเขาการไม่ไม่ฆ่านะได้แต่การไม่กินนี่ไม่จําเป็นนะยังกินได้อยู่ยังกินเนื้อสัตว์ได้อยู่ถ้าเกิดเป็นเนื้อสัตว์ที่เขาตายแล้ว โดยที่ไม่ได้เกิดจากการกระทำของเราหรือเกิดจากการสั่งของเราให้เขาทำให้เราแต่ถ้าไม่กินก็ดีไม่กินก็ดีไม่ไม่แต่ให้เข้าใจว่าคนที่เขากินนสัตว์ก็ไม่บาปเหมือนกันเพราะบาปมันอยู่ที่การฆ่าหรือสั่งให้ผู้อื่นฆ่าให้กับเราต่อไปคุณยึดโดนชนาแนลมีจริงไหมครับ จริงมีจริงเพราะผู้ที่ไปเกิดก็คือจิตใจนี่ไงร่างกายนี้มันไม่ไปนะร่างกายมันตายเรานี่เป็นเราเราเรานี้เป็นเหมือนฝาแขดเลยเราไม่เรามีสองส่วนมีร่างกายส่วนหนึ่งแล้วก็มีจิตใจอีกส่วนหนึ่งจิตใจนี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายพอร่างกายนี้ตายไปจิตใจก็จะไปหาร่างกายอันใหม่ระหว่างทางก็ไปใช้บุญใช้บาปก่อนถ้าเป็นบาปก็ไป ไปเวนีนไปเวนีนอยู่ไปอยู่แถวแถวอบายไปเป็นดวงวิญญาณเช่นเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือเป็นนรกไปก่อนแล้วพ อ, อพ้อนบาปนะั้นเราก็ไปเกิดได้ร่างกายอันใหม่ต่อไปถ้าเป็นบุญพาเราไปเราก็จะไปเป็นเทวดาชั้นต่างๆเป็นดวงวิญญาณชั้นต่างๆเราเรียกว่าเทวดาที่ดวงวิญญาณที่มีความสุข แล้วพอผลบุญที่ทำให้เราไปเป็นเทวดาหมดลงเราก็จะมาได้ร่างกายของมนุษย์ใหม่มาเกิดใหม่วันนี้นอย่งคุณหมอคุณพัฒล า, เ, า, เ, าเจ้าเวนกรรมมีจริงไหมคะเจ้าเวนเจ้ากรรมก็คือคนที่เราไปทำให้เขาเสียหายเดือดร้อนนั่นแหละเป็นเจ้ากรรมนายเวนเรา ถ้าเราไม่ไปทําให้เขาเสียหายเดือดร้อนเขาก็จะไม่มาเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราเขาก็จะไม่มาจองเวรจองกรรมเราการที่เราไปทํำบาปนี่ยเป็นการสร้างเวรสร้างกรรมเพราะอนเขาเสียหายเดือดร้อนเขาก็ต้องเครียดแค้นอาฆาตอวยบาปเราเป็นธรรมดาเหมือนกับเราเวลาที่เขาใครมาทําให้เราเสียหายเดือดร้อนเราก็จะเครียดแค้นเราก็จะเป็นเจ้ากรรมนายเวรของเขาเร า, าก็จะจองเวรจองกรรมไปกับเขานั่นเอง ถ้าไม่อยากจะมีเจ้ากรรมในเวรก็อย่าไปทำไปเราจะไม่มีใครมาจองเวรจองกรรมเนอคนบริลานบิเวณทำบุญน้อยจะได้บุญไหมก็ได้ก็ได้น้อยไงบุญ ม, มากบุญน้อยก็เหมือนกับกินข้าวเพระความบุญก็คือความอิ่มใจสุขใจทำทาน้อยก็อิ่มน้อยทำมากก็อิ่มมากลองสังเกตดู เราทำบุญสิบบาทล้วเราไปทำบุญพันบาทเดียวหรือว่าอย่างไรมันจะรู้สึกอิ่มใจกว่ากันเหมือนเหมือนการการับประทานอาหารนะกินอาหารจานเดียวกับกินอาหารสามจานนี่อย่างไนจะอิ่มกว่ากันทำบุญก็แบบเดียวกันทำบุญก็เป็นการรับประทานอาหารให้กับใจทำมากก็จะได้ความสุขมากอิ่มใจมากทำน้อยก็อิ่มใจน้อยสนใจน้อย คุณโน้ตเครียเรื่องงานจนเอาไปฝันนั่งคืนมีวิธีทาไม่ให้ฝันไหมครับก็ต้องหยุดคิดถึงเรื่องงานเรื่องการเวลากลับมาบ้านก็ถือว่าเขาไม่จ่ายโอเวอร์ทามให้เราแล้วนะอย่าอย่าไปทำงานอย่าไปทำโอทีลืมเรื่องงานไปเอางานทิ้งไว้ที่ออฟฟิศกลับมาบ้านให้เราก็มาทำกิจกรรมที่บ้านเราถ้ามันยังคิดอยู่ก็ใช้การบริกรรมพุโทโธพุโทโธหยุดมันทำพุโทโธพุโทโธพุโทโธไป เดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็จะเรื่เรื่องงานเรื่องการนะถ้ามันยังคิดมันคิดขึ้นมาเมื่อไหร่ก็พุดโธขึ้นไปมานั้นสู้กับมันไปเหมือนต่อยมวยถ้าก็ยับมาแเราก็ยับกลับไปถ้าก็ไม่ยับเราก็ไม่ต้องยับถ้าเขาไม่ไปคิดถึงเรื่องงานที่ออฟฟิศเราก็ไม่ต้องพูดโธรเราก็คิดถึงเรื่องพุดโทรคิดถึงเรื่องงานแล้วก็พูดโทไปจนกว่าก็จะหยุดคิดแล้วเวลานอนหลับเราก็จะไม่ฝัน อยากให้อาจารย์ให้ทำให้ข้อคิดคําสอนธรรมะในที่ทํางานเพื่อเป็นกําลังใจให้หน่อยค่ะคือการทํางานนี้เราต้องเกี่ยวข้องกับคนและวิธีนี่จะทําให้ใจเราเย็นใจสบายเราต้องมีพรหมลิหารสีพรหมวิหารสี่ก็คือเมตตากรุณาบุญิตาอุเบกขาต้องมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นกับเพื่อนร่วมงานอย่าไปสร้างศัตรูมองให้ทุกคนว่าเป็นเมตรกับเรา สร้างมิตรรักษามิตรภาพไว้ด้วยการอ่แผ่เมตตาคือยิ้มแย้มให้กับเขาทักทายเขามีของอะไรแบกปันให้เขาได้ก็ให้เขาไปช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยเหลือไ ป, ปนี่คือเมตตากรุณาก็คือการให้ความช่วยเหลือคารุณาให้ความช่วยเหลือเมตตาก็ให้ความเป็นมิตรไม่ไม่โกรธไม่เกลียดเขาไม่ถือรอดเขาเป็นศัตรูถึงแม้เขาอจะทําอะไรร่วมเกินเราเราก็ให้อภัยเขาไป แล้วเราก็จะทํางานอย่างมีความสุขต้องมีเมตตาถ้าเขาเดือดร้อนก็ช่วยเหลือเขาอันนี้เรียกกรุณาถ้าเขาได้ดบได้ดีเขาแสงหน้าเราก็ควรจะแสดงความยินดีกับเขาเรียกว่ามุติตาชื่นชมยินดีกับความสุขความเจริญของของเพื่อนร่วมงานแล้วก็ข้อสุดท้ายให้มีอุเบกขาถ้ามีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นที่ทําให้เพื่อนร่วมงานที่เรารักเราชอบเขา เป็นอะไรไปเช่นเป็นโรคไอไก่เจ็บติดเชื้อโควิดแล้วเขาอาจจะต้องเป็นตายไปหรือเราช่วยอะไรเขาไม่ได้เราก็ต้องทํำจะใช้อุเบกขาว่ามันเป็นเรื่องของเวรของกรรมของแต่ละคนเมื่อเราช่วยเหลือเขไม่ได้จะไปทุกข์กับเขาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเราต้องทําใจวางเฉยไปแล้วเราจะทํางานแล้วเราจะเป็นที่รักที่ชอบของเพื่อนฝูงแล้วเราจะมีความสุขกับการทํา ง, งาน ครับพรอาจาย์ครับเขาพอดีเลยเนาะใชครับมีคนกราบนิมนต์พระอาจารย์ไปอีกเยอะแยะเลยนะครับว่าพระอาจารย์ขออมุ้าครับถ้าอยากจะเข้ามาแล้วก็มีเพจภาษาภาษาไทยพระอาจารย์สุชาติอภิชาโตนนะแล้วทุกคืนวันพุธตั้งแต่สองทุ่มนี้ก็มีซูมแล้วก็มีสดด้วยคือสดก็คือดูได้แต่ถามไม่ได้ถ้าอยากจะถามก็แล้วก็มาในซูม ก็อาจาออาจเราทิวยาวหน่อยเพราคนก็มาทีสี่ห้าสิบคนต่างฐานที่ละคนลองเข้าไปดูก็ได้ตอนนี้ของสดเมื่อคืนนี้ก็ยังมีเก็บไว้อยู่ให้ดูอยู่ซ้าได้ลองเข้าไปในเพจของป้าอาจารย์สุชาติและพี่ชาโต้ ด, ต ด, ดูเดี๋ยวผมลองขึ้นเพจชื่อเพจป้าอาจารย์สุชาตินะครับออป้าอาจารย์สุชาติตพี่ชาตโต้ลองลองเสิร์ชเข้าไปดูเดี๋ยวผมขออนุญาตหาให้คนดูเลยนะครับเป็นตัวอย่างได้เขาจะได้เห็นแชร์เพไป อภิชาตโตพระอาจารย์สุชาติต้องเขียนพระอาจารย์สุชาติเป็นแล้วก็อันนี้อันนี้นะครับอาจารย์ไม่ใช่อันนี้เดียวนะครับนี่เอาออกก่อนเป็นภาษาไทยนะต้องเจียนเขียเป็นภาษาไทยพระอาจารย์สุชาติอภิชาตโตอันนี้ใช่ไหมครับอาจารย์อ่าใช่อันนี้แหละเข้าไปอันนี้ แล้วจะมีคำสอนเนี่ยมีโพสต์อยู่ทุกวันเลยแล้วก็มีเคื่นวันพูดก็จะมีสดมีไลฟ์สดแล้วทุกวันช่วงบ่ายสองโมงก็มีสดแต่เอาสดแบบของเก่ามามาสดใหม่เพราะช่วงนี้ไม่ได้แ ส, สดงสดเพราะตอนนี้วัดปิดไม่ได้เปิดให้ญาติโยมเข้ามาฟังธรรมก็เลยเอาธรรมที่ได้แสดงของเก่าของปีที่แล้วนี่มามาสดใหม่ทุกบ่ายสองโมงแล้วก็ไปหน้านี่แล้วก็กดติดตามได้ แล้วถึงเวลามีมีสดเขาก็จะแจ้งให้เราทราบหรือทางเฟซทาง Youtube มันมีแต่เฉพาะช่วงถ่ายเท่าสดอย่างเดียวนั่นแต่ถ้าอยากต้องการอ่านธรรมะอะไรต่างๆนี่เข้าไปหน้านี้พระอาจารย์สุชาติรพิชาโตจะมีธรรมะข้อคิดให้เราได้คิดได้อ่านอยู่ทุกวันมีทีมงานช่วยโพสธรรมะต่างๆให้อ่านโอเคนะคุณมอพอยคุณนี่ ได้ครับอาจารย์เดี๋ยวขรังหน้าต้อขออนุญาตนิมนต์พระอาจารย์อ <pot ur> <pot ur> ีกรออาจารย์ได้ก่อนครับก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปคิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขพามเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปอ่าแล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงแคล้วคลาดปลอดภัยจากโรคภัยอันตรายที่กําลังระบาดอยู่ในตอนนี้ด้วยอโรคยาปรมาราภา ความไม่มีโรคเป็นลามอันประเสริโดยชั่วหน้ากันทุกท่านเธอ